อันนี้คิดว่าทุกคนสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะใช่ครับอย่างถ้ากินมากเราก็อ่าหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนนะครับก็เป็นปกติเลยปกติวิสัยของมนุษย์บุคชนเลยกินอิ่มก็นอนหลับซะนอนหลับสบายครับอืมครับเรงกันจริงครับท่านใช่ท้องเนี่ยต้องพร่องอยู่เสมอพร่องเล็กน้อยหมายถึงว่าตอนที่เรากินแล้วอิ่มเนี่ยหมายว่าเกือบจะอิ่มอย่างนั้นใช่ไหมครับ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 เราต้องจำให้ได้แล้วก็ความเห็นต้องถูกอย่างนี้ก็จะเรียกว่าดีละดีต่อการสังเกตลมหายใจครับโอเคสุ่นตามากอันนี้อันอีกอันหนึ่งนะก็จะพูดถึงเรื่องการที่อยู่ป่ามีเสนาสนะอันสงัดอันนี้ระับที่ห้าใช่ไหมครับอยู่ป่ามีเสนาสนะอันสงัดครับอีกอันหนึ่งอันที่หก เดี๋อันนิดนึงครับท่านข้อห้าเนี่ยอย่างนี้คนเมืองก็แย่ส่ครับไม่ได้อยู่ป่าอยู่คอนโดอยู่บ้านหมู่บ้านอันนี้ก็ใช่โอกาสที่จะสังเกตลมหายใจอย่างนี้ก็จะเป็นไม่ไม่เกื้อหนุนต่ อ, อหมอท่านพงษ์ว่าไงประเด็นนี้ครับผมว่าอันนี้ก็ก็คนเมืองก็จะโอ้อย่างนี้อมันมันมันจะทําให้เราห่างเหินจากจากการปฏิบัติอานาปานสติ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 แ<น>เป็นที่ที่มีเสียงอึกทึกคึกครมน้อยเป็นผู้ที่เป็นที่ที่อทําทการรับของมนุษย์ปราศ จ, จากลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าและออกออืมและเป็นที่เสานาชนะลักษณะเห็นป่านี้เนี่ยควรจะรรอยู่อาศัยให้มากอือยู่แล้วดีว่างั้นเถอะอืมครับครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะคืออยู่ในที่สักระอยู่ในที่อยู่ป่าเสนาชนะอันสักระอีประการหนึ่งคือประการที่หกครับ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 คือที่เรามีบทสวดนั่นบทสวดนี้คาถาอะไรต่างใช่ไหมคาถาหรือคาถาคาถาให้คนรักคาถาลอดพ้นอะไรต่างเนี่ยครับพระเจ้าบอกว่าคาถาเนี่มีแค่นี้สิบเรื่องนี้ครั บ, ค, รบคือเรื่องที่เป็นไปเพื่อการขัดเกาลากิเลสหรืเรื่องที่เป็นไปเพื่อความเปิดโล่งแห่งจิตอย่างนี้นะก็คือเรื่องอะไรเรื่องความปรารถนาน้อยเรื่องสันโดษครับเรื่องความสงัดเรื่องความไม่คลุกคลีเรื่องความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิ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 มันยังไงฮะหมายถึงว่าเราจะคขว่คว้าหาสิ่งสิ่งเหล่านี้ยได้ไม่ยากใช่ไหมหมายถึงก็คือว่าเราก็ให้เข้าถึงได้ง่ายหมายเช่นว่าเรามีตถาคตพรสิทธิ์อยู่ในมืออ่าเป็นที่พึ่งจ่คํคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ให้ปรารุความเพียรให้มีปัญญาให้มีสมาธิให้สันโดษให้มีความสงัดอย่างนี้เราท่องบ่อยๆเอามาท่องบ่อยๆคาถาี่ก็ต้องเอามาท่อง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 แล้วอันดับที่อันดับต่อไป <Ą leve S 1> นะอันดับที่เจ็ก <7 S 2> ็ <7 S 2> คือพิจารณาเห็นอยู่เฉพาะซึ่งจิตอันหลุดพ้นแล้วตามลําดับอย่างไร <Music> พิจารณาจิตให้เห็นให้เห็นจิตอันหลุดพ้นพิจารณาเห็นเฉพาะอยู่ซึ่งจิตอันหลุดพ้นแล้วอย่างไร <Music> อ๋อท่า น, นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าหลุดพ้นเนี่ยการหลุดพ้นนี่คือหลุดพ้นเป็นขั้นเป็นลําดับลําดับนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยท่านที่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกเลยว่าเรานั่งสมาธิไปเนี่ยเราก็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 ชั้นลง ช, ชั้นล ง, นลงอาจจะเหลือครึ่งชั่วโมงสิบนาทีอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คืออันนี้ก็คือเราเหนเ ร, เราจะพบแล้วว่าโอ้เราปล่อยวางได้เป็นขั้นขั้นแล้วรุดพ้นได้เป็นขั้นขั้นรหรืออย่างเช่นของเด็กเล่นเ<ช>มื่อก่อนเรามีของเล่นอยู่จะเป็นตัวต่อเลโก้ตุ๊กตุนตุ๊กตาที่กระโดดเชือกรถบังคับวิทยุจักรยานสามลอ้ออะไรต่างๆเนี่ยทุกวันเนี้เมื่อก่อนนี่นะใครจะมาแตะไม่ได้ฉันไม่ให้เล่นงบขับหวง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 พ่อชงพ่อช ง, อชงจิตพ่อชงพอมีพ่อชงจิตแล้วก็จะเป็นอย่างที่ทาให้มีวิชา ว, วิมุตต์อ่านี่แหละเอก็ทํ า, าทให้เรียกว่าอเราทําถึงที่สุดแห่งทุกข์ไดค้ครับรครับพระอาจารย์ครับในชีวิตอย่างอย่างเนี้ยโอเคคาราว่าอย่างอย่างพระพระสงฆ์เข้าใจว่าเป็นเป็นเป้าเป้าอันหนึ่งเป้าอันหนึ่งของความเป็นพระสงฆ์ที่จะเข้าสู่วิมุตต์เนี่ยใช่ใช่ไหมครับอันนี้คือคือ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 ที่อาตมาเคยพบเจอนะเขาบอกเขาไม่อยากเกิดจริงแล้วชาตินี้จะเป็นคาราะอยู่มาคุยก็มีบางคนก็บอกว่าเออฉันอยากจะรวยบางคนก็บอกว่าเออฉันอยากจะแก้ปัญหาของชีวิตตรงเนี้ยก็หลายคนก็หลายเป้าหมายอ่ะนะทีนี้ถามว่าแต่ละเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้เนี่ยองค์ประกอบของสติเนี่ยต้องมีตลอดใช่ครับอ่าสัมมาสติเนี่ยต้องมีตลอดต้องมีเป็นแก่นเลยเพราะเพราะว่าพอมีสติแล้วเนี่ยมันจะทําให้ได้ประโยชน์ถึงสามระดับ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 ถึงตอนที่20น่นะหมอรัตงศ์ก็ทําได้เหมือนกันนะครับมันได้ทุกแง่มุมตลอดมากสติเป็นอะไรทําไมตอนไหนจะวางยังไงจะมีสติได้ยังไงเนี่ยโอมีได้ตลอดครับอ่า<ไ>ก็เลยก็เลยคิดมากอ่าก็เลยคิดว่าในในเรื่องที่เราสรุปกันเมื่อสักครู่เนี่ยว่าที่ที่หมอนนรัตงศ์ถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างกระวาดเนี่ยควรจะมีสติตอนไหนบ้างนะถ้าฉันหมั ค, คนอย่างนี้หรืออย่างนั้นอย่างเงี้ยนะก็ ค, คือก็บอกได้ง่าย ๆ, ๆว่าจะมีสติได้ต้องมีสติทุกเวลาครับ ทุกเวลาทุกอริยาบทครับทีนี้ว่าประโยชน์ที่จะได้รับก็มากน้อยต่างกันตามระดับของสติที่มีครับในระดับของที่จะทำคือปัจจุบันในระดับของเวลาต่อต่อมานะก็ในระดับของมรรคผลนิพพานเลยครับดังนั้นก็เขตุที่จะทําให้เราสามารถสังเกตลมหายใจหรืออนาปนาสติก็คือมี7ประการนะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อแรกก็คือกินน้อยนะกินอยู่ง่ายนะครับ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 หน้าสมาธิจิตไม่สงบมีสติได้ไหมอันนี้ก็มีได้นะตอบสั้นๆหรือว่าคุณมีความคิดฟุง้งซ่านอยู่คุณมีสติในนิวรังอย่างนั้นก็ได้แต่อันนี้ก็มีในมาสติประธานสูตรทีร น, นี้ว่าเพื่อที่จะให้การดําเนินเรื่องของมักแต่ของเราได้ไปได้ให้มันจบครบต้นกระบวนความใ<ช>า ร, รับต่อหน้าก็จะมาต่อกันเรื่องของสมาธิครัแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีคาถามอะไรเกี่ยวกับสมาถสติเนี่ยให้ส่งกันเข้ามาที่เพียรธรรมะต้นกลม www dot